ตอนที่สิบไม่เสแส้งอีกต่อไปนางรีบหาข้ออ้างมากลบเกลื่อนทันทีข้าบังเอิญได้ยินมาเมื่อไม่กี่วันก่อนที่หอทิงสเสวียใช่หรือไม่ยี่เยาชงักปีกครั้งแล้วตอบไปตามน้ําโดยสัญชาตญาณใช่ทันใดนั้นนางก็พลันได้สติร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจวันนั้นท่านอยู่ที่หอทิงสเสวียด้วยงั้นหรือหลินเซินพยักหน้าข้าตามสืบเบาะแสของไสซสึกมานานแล้วแต่วันนั้นตามไปถึงหอทิงสเสวียแล้วเขาก็หายตัวไป แต่ประเด็นสำคัญที่เย่เยาอยากรู้ไม่ใช่เรื่องพวกนี้วันนั้นนางรีตาลงวันเดียวกับที่ข้าไปพบชูชื้อใช่หรือไม่หลินเซิร์นิ่งเงียบแทนคำตอบเย่เยากัดฟันแน่นพางก้าวเข้าไปประชิด ต, ตัวดังนั้นคำพูดที่ข้าคุยกับชูชื้อในวันนั้นท่านก็ได้ยินหมดแล้วสินะหลินเซิร์นลอบปลือน้้ำลายหลบสายตาของนางแค่บางส่วนบางส่วนนั้นหรือ ยี่ยหัวเราออกมาด้วยความโมโหข้าว่าซื่อจื้คงจะรู้หมดทุกอย่างแล้วละมังถึงได้รีบพะวงไปทูลขอราชโองการพระราชทานสมรสกลางดึกเช่นนั้นข้ากับซื่อจืมีความแค้นเคืองอะไรกันนักหนาท่านถึงต้องทําร้ายข้าเช่นนี้ต้องทําลายวาสนาความรักของข้าให้ยับยับถึงจะยอมเลิกรางนั้นหรือในเมื่อท่านรู้ว่าคนที่ข้าอยากแต่งงานด้วยคือชูชื้อแล้วเหตุใดท่านยังจงใจเข้ามาสอดหลิงเซินเองก็เริ่มมีโทสะเช่นกันหากเจ้าอยากแต่งกับชูชือ้อจริงๆข้าจะเข้าไปสอดทําไม แต่ที่เจ้าจะแต่งกับชูชื้อเป็นเพราะเจ้ามีใจรักมั่นต่อเขาจริงๆนั้นหรือเยี่ยยาวเมื่อหวนนึกถึงคำพูดที่ตนเองคุยกับชูชือ้อในวันนั้นเยี่ยยาก็ถึงกับพูดไม่ออกหากหลิงเซินได้ยินหมดแล้วจริงๆเช่นนั้นเขาก็คงได้ยินที่นางบอกว่าเขาไร้น้ำยาเขาคงจะผูกใจเจ็บเรื่องนี้ถึงได้รีบเขวังไปทูลขอราชโองการพระราชทานสมรสเพื่อทาลายเรื่องดีๆของนางสินะ ทั้งที่มีใจให้เซียชิงจืออยู่แล้วแต่กลับยอมเอาเรื่องสําคัญในชีวิตของตนเองมาแลกเพียงเพื่อจะเอาชนะนางให้ได้งั้นหรือชาติก่อนนางไม่เคยรู้เลยว่าบุรุษผู้นี้จะไร้เดียงสาและน่าขันได้ถึงเพียงนี้เขาเป็นถึงซื่อจือ ก, การมีสามภรรยาสี่อนุถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่สําหรับนางเล่าราชอง์การฉบับเดียวกลับต้องทําให้ต้องผูกมัดชีวิตทั้งชีวิตไว้กับบุรุษที่ไม่ได้รักเขาเคยนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นบ้างหรือไม่ ถว่าเขากลับยังทาท่าทางเหมือนเป็นฝ่ายถูกกระทําพยายามทวงถามความยุติธรรมจากนางเจ้ากูเรื่องใส่ร้ายข้าเพียงเพื่อจะหลอกล่อฉูเฉอเท่านั้นหลินเซินโน้มตัวเข้าไปใกล้พลางลดเสียงต่ําลงเพื่อจะหนีการพระราชทานสมรสยอดประตูอันดับหนึ่งแห่งเมืองหลวงอย่างเจ้าถึงกับยอมลดตัวลงไปเสนอตัวแต่งงานกับสามัญชนที่เป็นเพียงพ่อค้าข้ามันแย่ขนาดนั้นเลยหรือถึงทําให้เจ้ารังเกียจได้เพียงนี้ที่แท้เขาก็ตั้งใจขอราชโองการพระราชทานสมรสเพื่อประชดนางจริงๆ เพียงพระนางว่าเขาไร้น้ํายาคําเดียวเขากลับเอาความสุขชั่วชีวิตของคนสองคนมาเป็นเดิมพันบุรุษผู้นี้จะไร้เดียงสาไปถึงไหนกันแต่ทว่าต้นเหตุนี้กลับเป็นนางที่ปลูกมันขึ้นมาเองเยี่ยยรู้สึกเหมือนมีก้อนเลือดอุดตันอยู่ที่อกนางไม่อาจยื่นมือไปบีบคอเขาให้ตายได้ดังนั้นนางจึงเพีย้ยฝ่ามือหนึ่งฟาดลงบนใบหน้าของลิงเซอรอย่างแรงลิงเซอรไม่อยากจะเชื่อเขาสะบัดหน้าตามแรงตกพลางเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึง เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นฝ่ายถูกนางปั้นน้ำเป็นตัวใส่ร้ายป้ายสีแท้แท้เหตุใดเขาถึงเป็นฝ่ายโดนตบเสียได้ข้าก็รังเกียจท่านนั้นแหละไม่อยากแต่งกับท่านแล้วจะทําไมเยี่ยงเยาวโกรธจนขอบตาแดงก่ําคนใจแคบนิสัยเด็กน้อยหน้าขันอย่างท่านใครแต่งด้วยก็ซวยไปทั้งชาติไม่เสแสร้งอีกต่อไปแล้วลินเซินถึงกับอึ้งไปสนิทเขาเป็นถึงซื่อจือผู้สูงศักดิ์ไม่เคยมีใครกล้าตบหน้าเขามาก่อนมินำซ้ำํายังชี้หน้าด่าเขาอย่างจงแจ้งว่ารังเกียจเขา ทั้งที่นางเป็นฝ่ายใส่ร้ายเขาก่อนแท้ๆ แ, แต่กลับทําเหมือนนางเป็นฝ่ายที่ถูกรังแกเสียเองเหตุใดนางถึงทาเหมือนตอนเองเป็นฝ่ายถูกได้ขนาดนี้หากเป็นคนอื่นเขาคงจะสวนกลับไปแล้วแต่ทว่าดวงตาที่คลอไปด้วยหยาดน้ําตาแห่งความแค้นของเยียวยกลับทําให้เขาใจอ่อนลงอย่างประหลาดหางตาที่แดงระเรื่อ น, นั้นดุมงดงามจับตาทว่ากลับเต็มไปด้วยความเกลียดชังที่มีต่อเขามันแหลมคมราวกับใบมีดที่ทิ่มแทงเข้ามาในใจท่านเยียวยชี้หน้าเขามืออีกข้างจิกเล็บลงในฝ่ามืออย่างแรง ความโกรธแค้นที่ถูกกดทับไว้ตลอดหลายวันที่ผ่านมาพุ่งพ่านขึ้นใหม่อีกครั้งเขาก็ยังคงเป็นซื้อจื่อผู้หญิงโถนงคนเดิมที่ต้องการให้ทุกคนสยบแทบเท้าและคอยออกเอาใจไม่อาจทนรับการถูกปฏิเสธหรือถูกรังเกียจจากนางได้แต่เขาหารู้ไม่ว่าการประชดประชันของเขาในครั้งนี้จะทําลายชีวิตของนางไปทั้งชาติและทําลายครอบครัวของนางจนเย่อห ย, ยับเหมือนกับชาติก่อนที่ไม่ยอมฟังคําอธิบายของนางแม้แต่น้อยดึงดันจะตราหน้าว่านางล่อติดต่อกับเสื้สึกและหาว่าครอบครัวของนางทรยศต่อแผ่นดิน ที่น่าแค้นใจยิ่งกว่าคือในตอนนี้มีพิงเยี่ยรคนเดียวที่รู้เรื่องทั้งหมดส่วนเขากลับทําท่าทางเหมือนผู้บริสุทธิ์ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวนางไม่อาจต่อว่าเขาได้ทําได้เพียงกดความโกรธแค้นทั้งหมดลงไปซ้าแล้วซ้าเล่าและกลืนคําพูดเหล่านั้นกลับลงไปสายตาที่เยียร์มองหลิงเซินยิ่งทวีความดุดันราวกับอยากจะใช้สายตาเชื่อเชินเข้าเป็นหมื่นหมื่นชิ้นความเกรียดชังที่รุนแรงและจิตสังหารที่พรุ่งพ่านนั้นหลิงเซินสัมผัสได้ชัดเจนจนรู้สึกตกใจและประหลาดใจอย่างยิ่ง หลินเซินถึงกับรู้สึกผิดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเขาสร้างความเจ็บปวดให้แก่นางจริงๆหรือเคยล่วงเกินนางตอนไหนมิเช่นนั้นเหตุใดนางถึงได้มองเขาด้วยความโกรธแค้นถึงเพียงนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่สิเขาเพิ่งจะรู้จักนางได้ไม่นานจะไปมีความแค้นเคืองกันได้อย่างไรพี่หลิงเซินเสี้ยชิงจือและพวกสาวใช้ตามาทันในที่สุดและมองออกทันทีว่าบรรยากาศไม่ปกติยี่เยาขอบตาแดงกับมีน้ําตาคลอเบ้าราวกับได้รับความอายุทีรทำบางอย่าง ส่วนหลิงเซินกับมีสายตาวอกแวกไม่กล้ามองหน้านางและที่กึ่งกลางใบหน้าของเขายังปรากฏรอยนิ้วมือทั้งห้าลางๆสถานการณ์เช่นนี้ไม่ว่าใครเห็นก็ขะ ง, งอ๊ดคิดลึกไม่ได้เจียนเจียและไปรูรีพ่อไปหาเย่เยาทันทีคุณหนูท่านเป็นอะไรไปเจ้าคะหรือว่าไปรูเหลือะมองหลิงเซินพรางเปลี่ยนคําพูดด้วยน้ําเสียงอ้อมแอมถูกใครรังแกมาเจ้าคะ เยี่ยยวสุดลมหายใจเข้าลึกลึกเสียจนสุดปอดนางหลับตาลงแน่นใช้พะละกําลังทั่วร่างระ ง, งับความแค้นเคืองที่สูงสวงเอาไว้ก็แค่ถูกเด็กน้อยจอมมูทะลุชนจนเจ็บเข่านะปากบอกว่าไม่เป็นไรแต่เย่ยังคงตวัดสายตาดุดคมมีใส่หลินเซินอย่างแรงหนึ่งทีหลินเซินเห็นได้ชัดว่านางกําลังเน็บแนมว่าเขาทําตัวเป็นเด็กไร้เดียงสาและมุทะลุหลินเซินเริ่มสงสัยมากขึ้นเรื่อยว่าความแค้นเคืองอันรุนแรงที่นางมีต่อเขานั้นมาจากที่ใดกันแน่ เซี่ยชิงจือสังเกตเห็นใบหน้าของเขานางถือผ้าเช็ดหน้าเดินเข้ามาที่เซิร์หน้าของท่านนางมองไปทางเยี่ยยในใจรู้ดีแต่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆลินเซิร์นกระแอมไอเบ า, เ บ, า, เ, บ า, เ, บาเบื่อหน้าหนีเพื่อปกปิดเมื่อครูสั่งสอนเด็กด้วยคนหนึ่งเลยถูกขวนเข้าให้หนะนางเหน็บแนมว่าเขาไร้เดียงสาได้แล้วเขาจะทำบ้างไม่ได้หรือเยี่ยยถึงกับพูดไม่ออกเรื่องแค่นี้ยังจะเอาชนะให้ได้ช่างไร้เดียงสานักแต่การที่เขาช่วยแก้ต่างให้นางกลับเป็นสิ่งที่เยี่ยยคาดไม่ถึง เดิมทีคิดว่าซื่อจือผู้สูงศักดิ์อย่างเขาคงจะหาข้ออ้างลงโทษนางแ น, แน่แต่กลับนึกไม่ถึงว่าเขาจะเออตามคำพูดของนางเพื่อปัดเรื่องไปเสียอย่างนั้นหากไม่ใช่พระมีจุดประสงค์แอบแฝงก็คงเป็นพระโรคทางสมองกำเริบอีกแล้วสรุปแล้วกับเจ้าหมอนี่ระวังตัวไว้เป็นดีที่สุดเซี่ยชิงจือย่อมรู้ดีว่าหลิงเซินจงใจปกป้องเย่เ ย, ย, ยานางซ่อนความหม่นหมองในแววตาไว้ก่อนจะเปลี่ยนหัวข้อเพื่อทำลายบรรยากาศในเมื่อมาถึงเจอเป่าใจแล้วพี่เยี่ยพวกเราเข้าไปเดินเล่นกันเถอะเจ้าคะ่ะ ทุกคนหันไปเงยหน้ามองก็เห็นร้านค้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมถนนบนป้ายร้านเขียนตัวอักษรคำว่าเจริญเป่าใจสามตัวเด่นชัดเย่ยไม่อยากเดินเล่นเลยแม้แต่น้อยแต่พอคิดว่าต้องกลับไปอุดอู้อยู่บนรถมา้ากับเจ้าหมอนี่ก็น่าอึดอัดยิ่งกว่าจึงตอบตกลงไปก็ดีเหมือนกันเท่าแก่เป็นพ่อค้าไวกลางคนเขารีบออกมาต้อนรับด้วยความกระตือรือร้นและมีไหวพริบคุณหนูและคุณชายทุกท่านมาได้ถูกจังหวะจริงๆขอรับสองวันนี้ทางร้านเพิ่งได้สินค้าแปลกตาจากซีวิมาพอดี เชิญมาดูทางนี้เลยขอรับเท่าแก่พาทุกคนไปที่หน้าเคาน์เตอร์บนโต๊ะเต็มไปด้วยถุงหอมสายประคำและเครื่องประดับแปลกๆนานาชนิดวางเรียงรายอยู่เต็มไปหมด